ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาการบรรยายประสูตรในวันนี้ก็คงเป็นมงคลละสูตรข้อรองสุดท้ายคือตโปจะพระม จ, จริยนจะอริยสจจานัศนั่งนิพานาัสสจิกริยาจะเอตมังขลมุตเตมังไดเกตบะคือความภาคเพียนที่เป็นไปอย่างแรงกล้า พรหมจรรย์คือการประพฤติอย่างพรมคือการประพฤติประเสริฐการเห็นอริยสัจและการทำพระนิพพานให้แจ้งเรื่ น, นี้เป็นอุดมมงคลวันก่อนนั้นได้พูดมาถึงพรหมจรรย์บางประการจึ่งเป็นการชี้เห็นว่าตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นการประพฤติที่เรียกว่าพรหมจรรย์ ก็เป็นการเปิดโอกาสกว้างให้คนทั่ ว, วไปสามารถประพฤติปฏิบัติได้พแม้แต่การถือคำสัตย์อย่างเดียวก็เป็นพรหมจรรย์ระดับหนึ่งสถารสันโดษคือการยินดีเฉพาะปัญญาของตนเองและปฏิวัติคือการจงรักภักดีในสามีของตนเองก็เป็นพรหมจรรย์ระดับหนึ่งสีนทั้งหประการ ก็เป็นพรหมจรรย์อีกระดับหนึ่งพระิหารทั้ง4ก็เป็นพรหมจรรย์อีกระดับหนึ่งอุโบโสถติศีลก็เป็นพรหมจรรย์อีกระดับหนึ่งและในที่สุดก็ไปสรุปรวมเอาที่อริยมรรคหรือศาสนาพรหมจรรย์ประเด็จ ก, การปฏิบัติไปตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการ แต่ท่านก็นสรุปในตอนสุดท้ายว่าศาสนาทั้งสิ้นคือหลักที่ต้องศึกษาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนั้นจะเป็นการปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็ชื่อว่าอยุ่ในขอบข่ายของการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เมื่อ ม, มองดูถึงความหมายและวิธีการในการปฏิบัติแล้ว การปฏิบัติอะไรซึ่งมีลักษณะขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้มีความสะอาดขึ้นโดยลำดับแม้เพียงพูดจาที่คำที่เป็นคำสัตย์คำจริงก็ได้ชื่อว่าเป็นพรหมจารย์แล้วถึงแม้จะทรงแสดงจำแนกออกไปถึงสรุปแล้วก็ส0บข้อด้วยกัน แต่าการปฏิบัติเหล่านั้นก็คงอยู่ในขอบขายของอริมัคมีองแปดจะเรียกว่าศาสนาพรหมจันทร์หรือมรรคพรหมจันทร์อริมัคทั้งแปดประการที่บุคคลประพฤติกระทําให้บริบูรณ์แล้วก็เป็นอริยสัจานาฏสนงคคือเห็นอริยสัจทั้งสี่ประการ การเห็นอริยสัตว์นี้ไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยตาธรรมดาแต่เป็นการเห็นด้วยปัญญาหรือด้วยญาณโดยวิชาที่เกิดปูดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลซึ่งประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับในการขัดเกลาใจมาโดยลาดับและความรู้เหล่านั้นก็เกิดปูดขึ้นภายในจิตใจของตน เป็นความรู้ระดับที่เรียกว่าญาณเกิดผุดขึ้นเห็นอริยสัจด้วยญาณสามประการคือสัจจญาณรู้ความจริงแห่งอริยสัจแต่และข้อว่าอะไรเป็นอะไรเม่ไร่รู้ว่าชาติชราบรณะเป็นต้นเป็นความทุกข์เพราะเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัย ไม่สามารถดำรงสภาพเดิมวองตนไว้ได้มีการเบียดเบียนแผดเผาก็ให้เกิดความร่าวร้อนจนถึงการหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรรัวตัญหาทั้งสามประ ก, การคือการมตัญหาพระวัตญหาวิวาตตัญห า, ญหาเป็นสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งความทุกข์รัวการดับการสละกการถ่ายถอน ชนะออกไปจากจิตใจได้เป็นนิโรธมีองค์8ประการนั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโดยหลักทั่วไปแล้วคนเราก็รู้กันโดยปริยัตแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความเห็นหรือไม่รู้อริยสัจไม่จะเห็นอริยสัจ ต, ตามความหมายที่ท่านแสดงแต่เป็นความรู้เห็นด้วย สัญญาคือด้วยความจำดังนั้นยังไม่ถือว่าเป็นอริยสัจจา น, นันทสนะคือยังไม่เห็นอริยสัจและท่านผู้ปฏิบัติเหล่านั้นก็จะเกิดญาณขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เราเรียกว่ากิจญาณคือรู้กิจที่ควรทำในอริยสัจว่าทุกนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติจึงเกิดขึ้นมาจากเขต คือเป็นผลของสมุทยัยจะไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ก็กำหนดรู้ไว้เท่านั้นเองว่าเป็นทุกไปรู้ว่าสมุทัยซึ่งเป็นเหตุนั้นควรจะละนิโรธควรกระทำบาเพ็ญให้บำนิโรธเป็นเป้าหมายที่ควรจะทำให้แจ้งควรลงมือประพฤติปฏิบัติแม้ยานระดับนี้ ในเชิงปริยัติคนเราก็รู้เห็นกันแต่ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นการเห็นที่แท้จริงจานขั้นที่สามเกิดขึ้นรู้ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสุภะทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วมรรที่ควรจเจริญได้จเจริญแล้วที่เรียกว่ากัตยานเป็นความรู้ที่แท้จริงทาให ผู้รู้นั้นเข้าถึงมงคลข้อต่อไปคือนิพานศสัจจิกิริยาจะได้แก่การกระทาพระนิพานให้แจ่มแจง้งปรากฏขึ้ น, นภายในจิตใจของตนจะ ต, ต้องปัญหาถามว่านิพานนั้นคืออะไรคำว่า น, นิพานนั้นหรือคำเดิมจริงๆคือเป็นคำที่มีอยู่ก่อนแล้ว แม่ในศาสนาเชนซึ่งใช้ประกรณ์ทางสันสกฤตคือใช้ภาษาสันสกฤตจาลึกอักษรคำพีของเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่านิรวานคือนิพานดังนั้นคำว่านิรวานแปลว่าปราศจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดใจ คำวนนานิพานแปลว่าความดับความเย็นความสงบความว่างโดยความหมายก็เป็นเช่นเดียวกันข้อนี้ท่านทั้งหลายจะพบว่าในนิโรธสัจจะ ท, ที่ทรงแสดงเองทรงอธิบายว่าความดับไม่เหลือแห่งตันหาเหล่านั้นคือจากโกได้แก่การสละตันหาออกไปจากจิตใจ ปฏินิสโกได้เก่ยการถ่ายถอนตันหาออกไปมุติจิตใจหลุดพ้นจากกระแสของตัหาเหล่านั้นอนาฬโยเป็นความหลุดพ้นที่ไม่มีความอันไลไม่มีความเยื่ใจอยู่ในตันหาที่ตนละไปแล้วแล้วก็ไม่หวนกลับมาสู่อำนาจของตัหานั้นอีกจะนี้ทรงอธิบายว่าเป็นอิโรตสัจจะ อิรัสัตว์กับ น, นิพานนั้นเป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายมาแล้วว่าสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุดนั้นคือ น, นิพานคือไม่รู้จาอธิบายยังไงเนื่องจากเป็นสภาวะที่เราสวดในธรรมคุณว่าสันทิตโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เอง และเป็นปัจจตังเวดิตะโบวินยูชิอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนตัอุ ป, ปามาเมื่อการรู้รสชาติของอาหารซึ่งเกิดขึ้นจากชิวหาประสาทคือรับรู้ด้วยประสาทของลิ้นเป็นการรู้รสชาติที่แท้จริงผู้รับประทานอาหารไปแล้วจะนำมาที่ายเกิดชี้แจงก็จะรู้ในมุมกว้าง รู้โดยในยะหนึ่งแต่จะให้เข้าใจทราบซึ่งจริงๆได้ริบรดจริงรจริ ง, ร ง, รงก็ต้องลงมือรับประทานแต่ไงก็ตามเรื่องของนิพพานนั้นได้ทรงใช้คำแทนอยู่เป็นนันมากแทงกันไปแทงกันมาสรุปแล้วว่ามีประมาณสัก40คำที่ใช้เรียกนิพพานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับท่าวางเดียวๆท่าวางไว้เดียเด่ยวๆจะหมายถึงนิพพานแต่ถ้าวางไว้เป็นลักษณะที่หนุนกันอยู่จะยกตัวอย่างถ้าท่านเคยอ่านธรรมวิจารณ์ซึ่งเป็นหลักสูตรนัธรรมชั้นเอกเป็นเนื้อหาธรรมะที่ออกจบใคร่ร่มากชาบซึ้งมากท่านเรียงไปตามลาดับว่านิบบิทาวิราคะวิมุตติสุตสันตินิพพาน วนิบาอนิบิธานั้นก็คือเกิดปัญญาพิจารณาเห็นถึงโลกหรือถึงสังขารถึงนามรูปอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะเราจะพูดถึงสิ่งสองสิ่งคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมาเมื่อมองเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้น ประเวณีหน่ายปณิบิธาก็วิราคะคือคลายกำหนัดที่จริงวิราคะถ้าแกวางอยู่เดียเด่ยวๆแกก็หมายถึงนิพพานได้แต่ตอนนี้แสดงเป็นเพียงเขตไม่ใช่แสดงทึงตัวผลพอคลายกำหนัดก็เป็นวิมุตต์วิมุตตจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากวิราคะวิมุตต์ก็วิสุทธ์นั้นเป็นผลต่อเนื่องวิสุทธ์ก็เป็นนิพพาน แต่นั้นเวลาท่าเดียงท่เดียงวันนิปีธาวีราคาปมุตปิสุสันตินะสงบแล้วก็นิพานจากวิราคาไปถึงนิพานนั้นที่จริงก็เป็นเพียงขณะเท่านั้นเองดูคำอักษรที่เขียนก็มีแยะแต่ว่าเป็นการพูดถึงสภาพจิตเท่านั้นนิพานในชั้นหนึ่งทรงชช้คาว่าสันทิติกังนิปานัง ที่พานที่บุคคลจะเห็นได้ในขณะนั้นๆซึกกหมายความว่าโดยอาศัยสติสัมปชัญญะของบุคคลที่ระลึกรู้ถึงโทษของบาปของกุศลต่างๆที่มีปัจจัยกระแทกกระทานมาจากภายนอกก็ดีหรือเกิดเหนี่วนึกขึ้นมาจากภายในก็ดีว่าเป็นสิ่งที่มีโทษแล้วก็ดับความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้คราวนี้พงดูตัวอย่างท่านทั้งหลายที่ กำลังนั่งอยู่นันก่อนที่นั่งอยู่ท่านอาจจะคิดว่าเอะวันนี้มีธุระ ก, กลับไปก่อนค่อยไปหาเทพฝังทีหลังก็ได้แต่ต่อสู้กับสักระยะหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่ก่อนดีกว่านี่ก็ น, นิพานความอยากแกไปแล้วก็เป็นนิพาน น, อ น, นอนที่เกิดขึ้นจากเช้ามาถึงนี้ท่านอาจจะนิพานตั้งหลายครั้งแล้ว มาดีไม่มาดีแล้วก็ตัดสินใจมาได้มันก็นิพานไอความไม่อยากมาได้ดัมาทันสวดมนต์หรือไม่ทันสวดมนตแล้วในสุดพยายามมาทันสวดมนต์ก็ดับไม่อยากสวดมนต์ได้มันก็นิพานนี่เรียกว่าเป็นทันทิฏิการนิพานหนังนิพานที่เราเห็นก็ได้ในขณะนั้นๆซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในแสนในล้านของนิพานที่แท้จริงก็ตาม ในสภาวะเหล่านั้นเราสัมผัสได้เรามีความสงบเรามีความเยือกเย็นเราว่างจากตันหาและทิฐิได้ในขณะนั้นแล้วก็เป็นเอปฏิการนิพบาหนังคือนิพานที่สามารถท้าทายเชิญชวนให้มาดูได้ก็มีความสงบมีความเยือกเย็นเป็นไรเป็นอากาลิกังนิพบาหนังนิพานที่ไม่ขึ้นอยู่กับการอะไร คือสามารถดับได้ในขณะนั้นๆใหยเกิดขึ้นได้อยู่ทุกขณะเป็นโอปัายกังนิพานหนึง็นนิพานที่จะต้องน้อมนำมาน้อมนำมาสร้างให้บังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่บุคคล น, นั้นจะรู้ด้วยใจยของตัวเองึ่งเป็นการแสดงเห็นว่า การกระทําให้แจ้งซึ่งพณิพาน์อันเป็นป้าหมายสูงสุดนั้นส่วนหนึ่งแล้วบุคคลก็มีเชือ้อมีพื้นฐานของนิพาน์กระจุเพราะถ้าหากว่าใจคนมีกิเลสรุมรุ ม, รมตลอด24ี่ชั่วโมงก็คงไม่มีคนนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดมีกฉาสันีข่ากันตายหมดลนะแต่เพราะบุคคลสามารถบันเทาส ง, งบระงับดับละ กิเลสได้ตามโอกาสดังนั้ น, น, นข้อนี้เมื่อตรวจสอบดูจิตใจของตนก็จะพบความจริงว่าไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นอันมากมีกำลังพอสมควรทีเดียวเกิดขึ้นภายในใจแต่ก็สงบระงับดับเอาไว้ไม่ยอมรู้อำนาจแก่อารมณ์เหล่านั้นนั่นก็คือเป็นอาการของนิพพานประการนั่น แต่นิพพานในความหมายที่สมบูรณ์ก็ทรงจับแนกแสดงเอาไว้เป็นสองระดับไปกันระดับแรกเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานในแก่การดับกิเลสแต่ยังมีอุปธิเหลืออยู่คือชีวิตยังมีอยู่นั่นเอง คำว่าอุปธินั้นเป็นคำที่ท่านทั้งหลายอาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆเวลาท่านอธิบายท่านก็ไม่ค่อยอธิบายลงกันเท่าไหร่มันหมายถึงอะไรกันแน่อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศโดยอเนกกระปริยยยคือนิยต่างๆ ผู้ฟังมีพื้นฐานระดับสติปัญญาจะเรียนรู้ระดับตายก็เทศเฉพาะตรงนั้นเมื่อเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกนั้นจะพบว่าพระไตรปิฎกอธิบายพระไตรปิฎกคือพระพุทธเจ้าอธิบายพระตําร ร, รัดของพระองค์เองแต่ไปอยู่อีกสูตรหนึ่งนยกตัวอย่างเช่นว่าขันติทรงสแสดงอีกที่หนึ่งอีกว่าอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งว่าอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งว่าอย่างหนึ่งคือตามพื้นของคน พื้นของคนฉันยกตัวอย่างว่าทางเสื่อมเราเรียนเรื่องอบายมุกกันมาหบ้างเจ็ดบ้างสีบ้างแต่ไปที่อีกแข่งหนึ่งไม่มีพวกเหล่านี้อยู่เลยตรงแสดงว่าความนอนตื่นสายจนตะวันโดง่งการเกี่ยวข้องกับพัญญาของชายอื่นจิตใจที่โหดร้ายเดินทางไกลคนเดียวเป็นทางเสื่อม ก็ไม่เห็นมีอ บ, ยบัยมุกสีอยู่เลยเพราะไดเพราะแสดงตามจริตของคนนั้นแต่สรุปแล้วก็คือทางเสือเหมือนกันดังนั้นในกรณีของธรรมะที่ส่งแสดงก็เป็นเช่นนั้นบุคคลจะต้องพยายามมองให้กระจายออกไปว่าโดยขอบขายเนื้อหาแล้ว ในพวกธรรมะโดยปริยายต่างๆคือนิยต่างๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างดังนั้นคําว่าอุปธิเมื่อมองจากหลายๆแห่งก็สรุปแล้วว่าเป็นกิเลสอุปธิอุปธิคือกิเลสเรียกเียกชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยขันธูปธิอุปธิคือขันธ์กา ม, มูปธิอุปธิคือกรรม สรุปแล้วจะมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันในที่นี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือขันทูปะทิอุปะทิคือขันท์ท่านผู้นิพพานนั้นยังมีรูปปิเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอยู่แต่สังขารเป็นกุศลน ะ, ะสังขารยังเป็นเป็นกุศลแต่บางอย่างก็ยังเป็นไม่ไม่ ไม่ได้ล้วนจริงๆคือยังมีอกุศลเจืออยู่บ้างแต่ว่าบางท่านก็เป็นกุศลล้วนๆคือระดับพระอระหันต์ขึ้นไปทนีนี้อนิพานในฉันเนี่ยก็มาชี้แจงอธิบายไว้เป็นสองระดับระดับแรกนั้นหมายถึงพระอระหันต์เพียงพวกเดียวระดับที่สอง หมายถึงพระโสดาบันขึ้นไปที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสของปณิพานธ์โสดาบันก็โสตาปันะก็ถึงกระแสถึงกระแสแห่งปณิพานนิพานาอีกประเภทหนึ่งคืออนุปาทิเสสนิพานคือดับหมดทั้งกิเลส ท, ทั้งขันทั้งกรรมไอ้กิเลสขันกรรมนั้น ท่านต่างหลายคงนึกออกนะครว่าไอ้กิเลสขันกรรมคืออะไรคือวิชาปฏิยาสังขาราสังขาราปัฏิยาวิญญาณนั่งกิเลสูปัติอุปัติคือกิเลสก็คือวิชากรรมูปัติอุปัติคือกรรมก็คือสังขารขันทูปัติอุปัติคือขันก็คือบิณ ญ, ญาณามรูปอริยทนาปัสสะเบทนะมันก็ลมปัจจัยาการทั้งกระบวนล้มปฏิจจสมุบาททั้งทั้งกระบวนออกไปเลย สายเกิดก็ดับไปสายดับก็บังเกิดขึ้นเพื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับปิญญาดับปิญญาดับนำนำรูปดับนำรูปดับอายตนะดับก็ดับล้มเป็นแถวไปเป็นโดมิโนคือล้มเป็นตับไปเลยนี้จะเห็นถึงความลงการสมกันของพระพุทธธรรมระที่จัดไว้แม้ทอยคําจะใช้ไม่เหมือนกัน กระต้อยคําอย่างที่บอกเราแล้วว่าเป็นการคล้อยตามพื้นฐานของคนภาษาแขกมันแ ย, เย่เคนสมัยก่อนพระเจ้าจะใช้คําอยู่คําเดียวก็คงจะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็อยากย้ายถ่ายเทไปเรื่อยแม้แต่นิพานมีวัยพยพจน์ตั้งยตั้ง40่สิบคำอย่างที่บอกเม่อตีดั้งอธิบายนิพานกันเดียวก็สบายแล้วนะฮะสี่สิบเทศได้หลายกันสี่กันหรืออาจจะเทต่อสี่สิกันก็ได้ว่างๆ นี่จะจะพบว่าเป็นโวหาและเทศนาพระพุทธเจ้าทรงฉลาดในโวหารก็ทรงแสดงธรรมะที่มากด้วยโวหารแต่ได้ที่สุดจะยุติกันลงกันสมกันในตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อที่ทรงชี้แจงแสดงเอาไว้ดังการกระทาพั น, พนิพาณให้แจ้งนั้นจึงเกิดขึ้นจากพระญาณเทนอริยสัจทั้งสนั่นเอง อันนี้บาาณสตร์จิกรยาจะจึงเป็นผลนะเป็นผลท่านจะไปจับไปเรียงตรงไหนล่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยสมมติว่าเรียงตามสายของอริยมรรคอริยมรรคนั้นแปดข้อเขาเรียกว่าองค์อริยมรรคไม่ใช่ตัวมรรคคือมัน ปฏิบัติไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็กลายเป็นสมาธิที่ความเห็นชอบจนถึงสมาสมาธิความตั้งใจบ้นชอบแต่ละองค์มรรคเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาก็ปรากฏเป็นสมายานะคือความรู้ในทางที่ชอบถ้าถามว่าสมายานะคืออะไรก็คือยานสามที่พูดมาแล้วในตอนตอน้นพอเกิดเป็นสมายานะขึ้นมามันก็รู้อะไรรู้อริยสัจ ท, ทั้ง4ประการด้วยยานทั้งสามนั่นเอง พรวรียศาสตร์ทั้งสประการแล้วก็เป็นอะไรอันเป็นสัมมาวิมุตติคือจิตหลุดพ้นในทางที่ชอบสัมมาวิมุตติคืออะไรก็คือนิพพานาสัจจิกิริยาจัแต่การทำพันิพา์ให้แจ้งและตีตางว่าจะไปเดินในสายอื่นไปพูดจากสายอื่นมาเช่นสายที่บรรยายอบรมกรรมฐานเมื่อสักครู่นั้นก็สรุปมาจากหลักของอนัตตลกนณสูตรองทตประยายสูตรหรือบสูตรเยอะยนะฮะ ก็ว่าอย่างนั้นก็เริ่มที่จิตของบุคคลเริ่มเห็นหลังจากใช้ตาปะพรหมจันทร์มานะฮะใช้ตาปะใช้พรหมจันทร์ตาปะก็คือความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกรล้าประพฤติพรหมจันทร์ขัดเกลาจิตใจของตัวได้มีความสงบสะอาดประณิ่ลงไปโดยลําดับจนเกิดรู้เห็นในเรสัตตเนี่ยจริงเมื่อก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตเช่นที่ทรงแสดงไว้ใน นัตตลกนาสูตรช่วงหนึ่งสองช่วงที่สามนะฮะเมื่อกล่าวใจความโดยสรุปก็คือว่ารูปยังขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีนาคก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีก็ดีอยู่ใกลก็ดีอยู่ใกลก็ดีขันห้าก็สักแต่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเราขอให้ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ พอมันถึงช่วงที่สี่ก็ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยส า, าวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนายในรูปเวทนาตัญญาตังขานวิญญาณเมื่อนายแล้วเป็นยังไงก็จะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วเป็นยังไงจิตก็จะพน้นเมื่อพ้นแล้วเป็นยังไงก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราพ้นแล้วดังนี้พ้นแล้วเป็นยังไงก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพระหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีก กิจอื่นในทำนองเดียวกันนี้ก็ไม่ได้มีอีกต่อไปเพิม่มก็ยุติกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะพูดจากมงค ล, ลสูตรพูดจากอริยมรรคพูดจากสาย น, ตนาตตลักณะสูตรธรรมจกกักรวัปรตะสูตรอธิะยะปยาสูตรนก็คือกันแต่ว่าทอดคำบางคำนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเป็นเรื่องของโบหารเทศนาเราแสดงเหตุว่าธรรมสีประการคือตะปะปรุจันทร การเห็นนเรศศัตวการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตมังคลามุตตะมังทั้งสประการนี้ก็เป็นอุดมมงคลมันก็เกินอุดมมงคลไปแล้วนะครับมันอยู่เหนือโลกไปแล้วทีนี้เพามาถึงข้อต่อไปที่จริงถ้าพูดถึงเราเรียงสายเรียงตามสายแล้วก็เป็นผล อโศกังวิริชไม่ใช่พุทธสโลกะรมเมหิจิตตังยัตสนกรรมปติอโสกังวิรยิ ย, รรรรยังเขมังเอตามังคลมุตตมังจบนะฮะพุทธสโลกะรมเมหิผู้ที่ถูกโลกธรรมผู้อันโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตตังยัตสานกรรมปติจิตจะไม่หวั่นไหวอโสกังไม่โศกวิริชังปราชจะจากทุลีเขมังเกษ ก็เอตมังคัลมุตตามังเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นอุดมมงคลตอนนี้ ท, ทั้งหลายจะพบว่าถ้าเราเรียงตามลำดับอย่างนั้นหรือที่ส่งประสงค์เรียงไบจริงๆแล้วก็เป็นผลทั้งหมดเลยเป็นสภาพจิตของท่านที่เป็นอะไรคือท่านที่นิบานาสัจจิกริยาจะคือท่านที่ทำนิพพานให้แจ้ง ทำแจ้งจากอะไรจากเห็นอริยสัตว์สเห็นจากสี่เกิดจากอะไรเกิดจากประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ น, นั้นต้องอาศัยอะไรอาศัยตา บ, บะออกมาเป็นแถวอะไรแล้วก็ออกมาเป็นรูปผลพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสันนักรรมปริติเมื่อโลกธรรมมันถูกต้องจิตไม่หวั่นไหวนั้นคือสภาพจิตของพระอาหารหันต์ล้วนๆนะฮะจะพูดกันจริงๆแล้วพระอาหารหันต์ล้วนแต่อย่างที่บอกมาแล้วว่า ในชั้นหนึ่งนั้นทุกอย่างคนเราขอเพียงมีคุณธรรมภายในใจเท่านั้นจะสามารถสัมผัสผลเหล่านั้นได้ระดับหนึ่งดังนั้นพุทธะจิตไม่หวั่นไหวไม่โกศกรปราศจากธุรีปราชจากบนทินเหล่านั้นจึงมีได้แม้แก่สา ม, มัญชนทั่วไปในชั้นหนึ่งโลกธรรมนั้นคืออะไรโดยที่รู้กันทั่วๆไปก็คือ พูดแบบสรุปนะฮะที่จริงก็คือรูปเย่ียงกินรสหัวตะพาธมารมณ์นั่นเองมัสรุปเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราเรียกว่าอิทธารมณิธารมณ์ประการกำหนดอารมณ์ในโลกของคนจะกำหนดอยู่สองแนวตลอดที่มีอิทธิพลครอบงำใจคนแล้วให้ลองสังเกตเราพุทธเจ้าจะแสดงสองแนวนี้มาตลอดเหมือนกันนะครับเป็นรูปที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนา แล้วก็พูดว่าไอ้รูปเราเนี้ะเราก็ยินดียินร้ายินดียินได้คือคืออะไรคือพิชชาโทมนต์ในสติปัฏฐานนั่นเองเพราะอะไรเพราะอารมณ์ในโลกนั้นจะมีอยู่สองลักษณะคือดีกับไม่ดีไอ้ดีนั้นดีไม่ดีใครเป็นคนกำหนดเราเป็นคนกำหนดเองนะฮะเราเป็นคนกำหนดเองไม่ใช่ว่าเป็นสากลเพราะว่าไม่มีไอ้เรื่องสากเลเรานี้ไม่มี รูปสวยเสียงไพเราะกลิก่นหอมรสอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องนั้นเป็นกิเลสมันปรุงเอาแต่นั่นเองไม่มีความเป็นสากลในรูปสวยเหล่านั้นในเสียงไพเราะเหล่านั้นเรกลิ่นหอมในรสอร่อยนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าสากล น, น้ําหอมในโลกนี้คงมียี่ห้อเดียวรูปคนก็มีแบบเดียวเสียงก็มีเสียงเดียวแต่ว่ามีมากมายกายกองหลากหลายออกไปคนหนึ่งก็รู้สึกสะอิดสะเอียนไม่ชอบคนหนึ่งก็ชอบ ก็ไม่รู้จะว่าอะไรแม้แต่รสอาหารมันก็ไม่เป็นสากลไม่ใช่ว่าอร่อยทุกคนทุกคนว่าอร่อยก็ไม่ใช่อร่อยทุกคนจริงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับใจที่ไปกำหนดเนาเป็นการรายงานของกิเลสท่านนั้นเองการสัมผัสโลกของบุคคลจึงเป็นลักษณะของมองแว่นสีนะฮะคือมองจากแว่นที่มีเป็นสี ก็สุดแล้วแต่แว่นมันจะสีอะไรก็จะมองเห็นสิ่งนั้นเป็นเป็นอย่างนั้นเพรานใจคนปรุงด้วยกิเลสสายไหนล่ะมันจะกําหนดในสิ่งนั้นตามสายของมันจะเอาเอานิยายอะไรไป่ค่อยได้เลยทั้งไปนะครับเช่นสมมุติว่าในขณะหนึ่งโอกาสเดินเกิดชอบในสิ่งเหล่านี้ทัเกินปล่อยควา้าแสวงหาดิน้นรนกันเพยยียรความเพียรพยายามกันเอาพอเอามาแล้วไม่ไม่เท่ไาไรเกิดไม่ชอบเลยแล้ว ทำลายทิ้งไปโยนไปนะท่านใดก็ไม่รู้จะเอาอะไรกันอุตสาห์ลงทุนลงแรงแทบล้มแทบตายาแแวงหามาเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปเลยนี่แสดงว่าขึ้นอยู่กับใจมันกําหนดเราดังนั้นโลกธรรมเนี่ยตามปกติแล้วคนเราจะอ่อนไหวมากจะฟูขึ้นจะพุบลงจะเคลื่อนไหวไปตามโลกธรรมโลกธรรมคืออะไรคือได้ลาบเสื่อมลาบลาบคือสิ่งที่เราได้มา เป็นอะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเด่นด้านอ่อนแข็งได้ยศเสื่อมยศยศมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นโลกธรรมอีกอย่างหนึ่งรับการสรรเสริญหรือนินทารับความสุขหรือรับความทุกข์มันก็ ข, นขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่คือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ว่าใครก็ตามก็กคล้ายๆกับคนเรา ก็อยู่เหนือโลกนะเดี่ยวอยู่ใต้ฟ้าก็อยู่ใต้ฟ้าได้กันนะโล ก, กธรรมก็เหมือนกันจะครอบงำใจจะครอบงาโลกเอาไว้คนทุกคนจะอยู่ในแวดปวงของโล ก, กธรรมหล่านี้พระพุทธเจ้าหรือพระอันุหรือก็ไม่ละเว้นหรอกพรุทธเจ้าก็มีเสื่อมลาบเหมือนกันมีได้ลาบมากมายกายกองเหมือนกันมีเสื่อมยศเหมือนกันมีได้ยศเหมือนกัน มีถูกคนด่าเหมือนกันมีถูกคนยกย่องเหมือนกันแล้วก็ประสบความสุขความทุกข์เหมือนกันในส่วนพระวรากายนะครแต่จิตตังยัดสนรรันนิบาติจิตของท่านนั้นไม่หวั่นไหวทาไมไม่หวั่นไหวนะครับเพราะการที่จิตใจของคนหวั่นไหวจะหวั่นไหวไปด้วยความรักความจัง ไอ้กิเลสเป็นเหตุให้รักใหชังมันไม่มีก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่าท่านทำที่ผ่านให้แจ้งเสร็จแล้วข้อนี้ได้ทรงแสดงถึงหลักการของบุคคลสองกลุ่มคือของพระยาบุคคลกับของสามมิเนชนทรงชี้ไว้ในโล ก, กธรรมสูตรว่าเป็นใจความนะฮะว่า ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสันเรินินทาสุขทุกนั้นย่อมเกิดขึ้นทั้งแก่ปุตุชนและแก่พระอริยะบุคคลข้อที่แตกต่างกันก็คือว่าปุตุชนเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เตรียมใจยอมรับความจริงเอาไว้เนื่องจากไม่ได้ศึกษาไ ม, ไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระอริยะ จิตใจ็ขา่าฟูขึ้นพุบลงตามอำนาจของโลกธรรมเช่นว่าเวลาได้ลาบ่าสนุกสนานเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่บางทีครื้มๆมเข้ามาในวัดในวาเลยทาไปนี่ก็แสดงว่าก็มันในอารมณ์รอสมควรพอได้ยศมันก็ทำนองเดียวกันก็จะครื้มครมไปกับยศแต่จะพุบลงเมื่อเสื่อมยศ บางคนเป็นเรามากนะมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นนิบดีโปรดกลดเกษียณไม่ถึงปีตายนะเหี่ยวเฉาไปงนหนึ่งบริษัทบริวารไม่มีหน้าชื่นอกตมอยู่พักหนึ่งท่านผู้เตวาตาท่านว้าเวเดียวดายร้ายความหวังนะแต่ว่าผิดกับคนบางคนอย่างพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านจะคุณอุบาลีคุณอุปามา จ, านจันทร์นะท่านคงจะเคยได้ยินฮะ ท่านเคยท่านเคยถูกถอดนะองนี้ถูกถอดจากประเทศโมลีเป็นขัวตาจรรันนะมาอยู่ที่คณะที่มาอยู่อราชการที่หกถอดก็ต่อมาพอรู้ข้าวก็รู้ว่าเป็นพระของพระพันปีเลื่อนพุวดเดียวเป็นธรรมมหาธีธรรมทีรราชมหาบุญีนชื่อที่ตั้งครั้งแรกตรงเนี้ยเป็นขัวตาจรรันอยู่หนึ่งปีถูกกักอยู่ที่วัดรังนี้มุมนู้น เว่ยสนุกท่านไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่เดือดร้อนทั้งตอนคือไม่ยินดีทั้งตอนตั้งให้เป็นชั้นธรรมทีเดียวนะฮะตั้งจากหลวงตาเป็นชั้นธรรมทีเดียวนะวิ่งข้ามาเรื่องกี่ขั้นแล้วก็ไม่ยินได้ตอนจากลงจากเจ้าคุณมาเป็นหลวงตานั้นคือจิตของคนที่ไม่เหมือนกัน <S <S ทีนี้ถ้าคนบางคนที่ไม่เข้าถึงโลกธรรมนะครับจะเดือดร้อนไปเพราะเวลามันเสื่อม ตกอยู่ในฝ่ายเสื่อมดังนั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิเลสจะมีลักษณะเป็นอุปาทานคือไปยึดตัวลาบตัวยศออกไว้เพราะอะไรเพราะบุคลคลกลัวในสิ่งที่เป็นอนิธารมคือเสื่อมลาบเสื่อมยศแก่แล้วยั ง, ย ง, ยงไม่หายโลคนะฮะในลาบในยศยักแ ย, ย่ยักยานกันไปเพื่อนที่ปีกไปแบะไปรับพัดก็ยังเอาชอบ พาดมาแล้วว่านอนรัวทําอะไรไม่ได้ครับมีแสดงถึงว่ายศนั้นมันเป็นโลกธรรมที่ครอบงําใจคนมากสันเสริญก็ชอบนะฮะปานินทาก็ไม่ชอบพอสุขก็ชอบพอทุกข์ก็ไม่ชอบก็ขึ้นขกันอยู่เงี้ยขึ้นขลงลงเขาเรียกว่าฟูขึ้นแล้วฟุบ ล, ลงฟูขึ้นฟุบลงฟูขึ้นฟุบลงอยู่ตลอดจิตใจเราก็ฟูขึ้นฟุบลงอยู่ตลอดตามลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบ แต่พระอริยเจ้าท่านไม่หวั่นไหวทำไมจึงไม่หวั่นไหวทรงแสดงให้เห็นว่าคือท่านมียานรู้ทันมียานรู้ทันอกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่มีท่านก็แน่นอนนะฮะแต่ที่สาคัญคือยานรู้ทันเพรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านรู้ทันทีเลยเพาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรรปรปรวนเปลี่ยนแลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้ น, นตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปมันรู้มาตั้งก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วดังนั้นข้อ น, นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเทราธมมพิจลังกณติโตเป็นต้นที่ทรงสอนให้พิจารณาหนึ่งๆนั้นก็แนวนี้นะฮะแนวนี้คือต้องการในต้องการอย่าให้จิตใจมันหวนั่นไหว ไม่จะเดือดร้อนเพราะแก่ผมงอกหน่อยวิ่งย้อมกรรมการอย่า ย, ย้อมสาวันเดี๋โคนขาวอีกแล้วย้อมกันอีกแล้วเลยไม่ต้องทำหมากินอะไรกันแต่ถ้าจิตใจเราไม่หวั่นไหวแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บรักษาก็รักษากันไปเรื่ยงแรงร่างกายทํางานได้ก็ทากันไปตายก็ตายไปก็ดีเหมือนกันก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเพราะในใจที่รู้ทันเป็นญาณปัญญาที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้น คือมองเห็นฝากหนึ่งอย่างที่เคยพูดนะฮะว่าปัจจุบันนี้ชีวิตเรามีความเสี่ยงสูงขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็เตรียมใจห้าิบห้าิบเอาไว้มันก็จะได้ประโยชน์ประิยระยะบุคคล น, นั้นจึงมีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งกิเลสเป็นเหตุให้ห ว, วันไหวไม่มีชั้นที่สองเป็นเรื่องของญาณปัญญาที่เกิดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นแล้ว พอวันไหวพอพอมันเปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนแปลงไปคือควายเสื่มราบเสื่มยศนินทาทุกขก็มันเป็นสังขารอย่างหนึ่งไอราบยศสรนเสริญสุขก็เป็นสังขารอีกอย่างหนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคือบางทีท่านกลับมองเป็นของดีเลยทั้งไปนะฮะอย่างท่านานาตาบินทิกะเศรษฐี <c oughs> ท่านเดินไปพบคนเที่ยวกลางคืนคนหนึ่งแล้วท่านก็ทักนะฮะคนนี้เจรรอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนนอนจะไม่ล้างเท้าเลยนอนที่สาลาไอคนนี้โกรธไอเปิดผ้าคลุมหัวขึ้นมาจําได้เป็นอนาตบินิกาเศรษฐีแกทําอนาตบินิกาเศรษฐีรุนแรงนะฮะตัดเท้าโคโคแตนาของนาตบินิกาเศรษฐีเป็นฝูงนะฮะตัดไดเยอะเลยแล้วก็ พอเขาทำนาเสร็จแกแกไปเผานาท่านต่อมานาทบินิกาเศรษฐีสร้างพระคันตูุูดีถวายพระพุทธเจา้าถวายเสร็จจะไม่ฉลองแกแอบเผาแต่อานาทบินิกาเศรษฐีก็ดีใจว่าดีนะฮะคือว่าท่านก็ได้ทําอะไรกองท่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาเผาก็ดีท่านจะได้สร้างใหม่นี่ก็คืออะไรแต่ว่าท่านนาทบินิกาเศรษฐีท่านเป็นพระรยะบุคคลโสดาบัน เราจะมองในลักษณะที่ลดลันลงมาอย่างที่เคยเล่าถึงครอบครัวของคนห้าคนมีพ่อมีแม่มีลูกชายมีลูกสาวมีลูกสะภ้ายหกคนนะฮะก็มีนางทาสีคนหนึ่งที่จะเริ่มมนัสติกันมาทุกคนทั้งครอบครัวพอลูกชายของเจ้าบ้านตายไปแต่ละคนไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจ เมื่อมีคนสอบถามได้สดแสดงถึงความจริงที่ท่านเข้าถึงท่านพิจารณาเห็นก็เป็นญาณความรู้ระดับหนึ่งที่ทำให้ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรดังนั้นในพุทธสโลกธรรมเมหิจิตังยัตสนกรรมปฏิจิตไม่หวั่นไหวเมื่อประสบกับโลกธรรมเนี่ข้อสำคัญว่าถ้าเรามองเห็นว่าเป็นธรมนธรมดาได้เป็นธรรมดาได้ ยังในสมัยโบราณท่านทั้งหลายลองสังเกตก็จะพบว่าคนแต่ก่อนนั้นท่านมีบทสวดซึ่งที่จริงท่านก็เข้าถึงยางกเงี น, นะฮะท่านจะสวดกันทุกเย็นคนเฒ่าคนแก่สมัยมาเป็นเด็กเนี่ยคือคือก็ไม่เคยถามนะฮะว่าว่าท่านจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะเราก็ถามไม่เป็นเหมือนกันในตอนนั้นแต่ท้านก็สวดกันท่านเด้อ รูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจังตังรูปขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกอย่างดูปขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดานัตาตังเนตังเมโซมัตสมีนะเมโซเมยตารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราท่านลากเสียงยาวยาวสามตัวนี้แล้วต้องก็สวดกันอย่างเงี้ยก็คงซึมเข้าไปเยอะเหมือนกันภายในใจ แล้วก็ทำให้รู้อเท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นไม่เศร้าโศกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเ <_ d ata> มื่อประสบการพลัดพรากก็เตรียมใจได้ยางกะแล้วขร อ, อนี้ให้ลองสังเกตแต่ว่าอภินาปเจเบกที่ว่าตะกี้เนี่ยทีจราธมมหิจรังนัตติโตเนี่ยอันในวิธีหนึ่งนั้น พระเจ้าทรงสอนให้ปิดกัน้นเพื่อให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวที่ทรงใช้คำว่าพึงทำความไม่ประมาทในที่สีรษาน <c oughs> คือระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะถ้าเรากำหนัดแล้วเป็นยังไงนะครับพอกาหนัดพอสิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นจะสนุกสนานกันใหญ่เลยแต่พอสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปจะเศร้าโศกกันใหญ่เลย อย่าให้ระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์ไป็นตีตั้งแห่งความขัดเคืองเพราะถ้าขัดเคืองเป็นยังไงถ้าเราไม่ชอบไอสิ่งที่เราไม่ชอบเกิดอยู่แล้วกลุ่มกันใหญ่เลยพะสิ่งที่เราไม่ชอบพินาศไปเสื่อมสลายไปก็ดีใจกันใหญ่เลยก็ต้องตกลงมาฟูขึ้นฟุบลงเหมือนกันหมดเลยจึงสอนให้เรามัดระวังใจเอาไว้นี่ก็เป็นแนวในการปฏิบัติสมรับสาธุชนทั่วไปไม่ใช่ระดับที่เป็นผลนะฮะ ระดับที่เป็นผลไม่ต้องห่วงอะไรท่านอาสกุกปุถัสโลกธรรมเมหิจิตังยัตสนกรรมปติอสโกังคือความเป็นผู้ไม่เศร้าโศกนะไม่เศร้าโศกไม่ว่าจะประสบกับส่วนที่ที่เป็นอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงแตกทำลายสลายไปะอะไรต่อเนี่ยฮะจะไม่มีความเศร้าโศก ในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่เราไม่ชอบยังมีอยู่เราก็ไม่เศร้าโศกเศ้าโศกมีสองอย่างนะครเศร้าโศกเพราะของที่เรารักเสื่อมสลายไปเปลี่ยนแปลงไปก็เศร้าโศกไอ้ของที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันจําเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องอยู่ร่วมกันมันก็โศกเหมือนกันนะก็เรียกว่าอะไรคือความเกืดแห้งนะภายในความไอ ปลอมใจในภายในอึดอัดขัดข้องวุ่นวายรูประการต่างๆ แ, แต่ว่าท่านจะไม่โศกไม่โศกในถ้ำกลางผู้โศกทั้งหลายสำหรับพระอริยนั้นแน่นอนกิเลสเป็นเหตุโศกไม่มีเราก็รู้ตัวอย่างเรื่องราวตอนพระพุทธเจ้า น, านิพพานอริยทั้งหลายทั้งมากมายท่านก็ไม่เศร้าโศกปุถุชนก็เศร้าโศกทีนี้ว่าในชั้นหนึ่ง ฉั้นสามม ญ, ญชนทั่วไปที่จะให้ประสบอุดมมงคลนะ่ทาอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกได้นั่นก็คืออย่าไปกำหนดอารมณ์ให้มากเกินไปเอาจริงกัจังกันเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปคืออย่ายินดียินร้ายมากนะะไม่ยินดีไม่ยินร้ายมากความโศกก็จะน้อยลงเพราะที่เราไปโศกมากเพราะมีอะไรมากคือญาติพี่น้องมากพวกมากเป็นห่วงเป็นใ ย, ยมาก บางครั้งบางคราวบางคนก็ไปแบกโลกเอาไว้คนนี้สุดก็ประสบความสุขมากอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้ารับสั่งแก่นางวิสาขาที่หลานที่หลานท่านตายไปนะครท่านร้องไห้มกพร้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามมาเธอต้องการจะมีหลานเท่าไหร่ท่านก็ตอบว่าอยากจะให้มีคนเท่าเมืองพาราเมืองสาวัตถีนี่เป็นหลานของท่านทั้งหมด พระเจ้ารับสั่งย้อนถามมาแล้วในคนเมืองสาวัตถีนี่ก็ตายกันวัน ก, กี่คนท่านก็กล่าวทูลว่าก็ตายวันเจ็ดคน8ดคน10บคน20คนตายทุกวันเน่ยพระเจ้าบอกรับสั่งมาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องนอนร้องไห้น้ําตาชุ่มหน้าอยู่ทุกวันเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วท่านก็นได้คิดวันนี้คือถ้าเรามีการกําหนดอารมณ์มากไปมีการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายมากไป บางทีเป็นเลงผลเลิอไปตั้งเป้าไว้สูงปัจจุบันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็มีปัญหาเรื่องเด็กกันมากเด็กมันโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วมันต้องกรมมกรมัสโกมิกรรมดายาโดบ้างไ ม, ไม่ใช่ว่าไปสวดไอ้ไอ้สเปสตาอยู่เรื่อยคือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นในกรณีที่เราแผ่เมตตาบางทีบางทีมันนอกวิสัยนะฮะนอกวิสัยมันต้องกรมมกรมัสโกมิกรรมดายาโดแล้ว ก็ปล่อยไปตามกรรมหน้าที่ของเราเราเราได้ปฏิบัติเราไม่ได้มีปัญหาที่ใครจะพึงค้อนขอดพึงตาหนิติเตียนได้เราก็ทำเขาเราเต็มที่แล้วแต่ก็ไปตามกรรมของเขาก็ปล่อยไปตามกรรมจะบ้างจิตใจก็จะได้ส ง, งบลงไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจยในเรื่องนี้อวิรัญชังนั้นคือไม่แปดเปื้อนดยทุลีไม่แปดเปื้อนด้ว ย, ด, วยด้วยทุลีนั้นในเชิงเหตุ ก็หมายความว่าใจไม่มีกิเลสอันนี้ก็แน่นอนนะฮะท่านบรรลุอันสวรรคญาณในเชิงผลก็คือว่าอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงโ ม, ม, ม, มวเมาก็ตามที่ประสบหลังจากนิบานาสัจจิกิริยาจะกระทานิพพานแจ้งแล้วนะฮะอารมณ์เหล่านั้นจะไม่ตั้งอยู่ภายในจิตใจของท่น คือตกไปแล้วก็จะตีกลับเลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้นเองทรงอุปมาว่าเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่วางไว้บนปลายเหล็กแหลมหรือหยดน้ำที่ตกลงนบนใบบัวมันซึมเข้าไปไม่ได้ดจิตใจของท่านที่เข้าถึง คุณธรรมเหล่านี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะวิรชังปราศจากทุรีไม่ได้แปดเปื้อนด้วยอารมณ์โลกิยอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต่างนั่นของท่านของพระรยาบุคคลแต่ทีนี้สำหรับสามัญชนทั่วไปว่าทำอย่างไรจึงจะอย่าให้มันมันมีมนทินใจคือทุรีมากเกินไป ตัการสำคัญท่านจะเห็นว่าคือการไปเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตกับการฝ่ายวันการเพิ่ฝันนะฮะถึงอดีตก็มีอยู่สองเรื่องความผิดพลาดต่างๆในอดีตไปเหนียวนึกมาเศร้าโศกความน่ารื่นรมยินดีในอดีตไปเหนียวนึกมาเพิ่ฝัน ทั้งสองอย่างนั้นศูญเสียเวลาทั้งหมดเลยคือที่ผิดพลาดก็คือผิดพลาดไปแล้วอย่างที่ท่านบอกกตัดสานติปฏิกรังสิ่งที่ทําไปแล้วทําคืนไม่ไดม้มันหมดไปหมดแล้วนะดีก็ดีไปแล้วไม่ดีก็ไม่ดีไปแล้วก็เท่านั้นเองชีวิตเราไม่ได้อยู่กับอดีตแต่อยู่กับปัจจุบันพยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเท่านั้นเองอดีตก็ต้องปล่อยให้เป็นอดีตไปถ้าพยายามละบันเทาลืมจะบ้าง เรองอดีตนี่จะผิดหรือจะถูกก็ไม่รู้อะมันดึงมาใช้ใ น, ในการนี้เป็นบทเรียนเท่านั้นเองที่พระเจ้าทรงใช้กคำว่าจิรกตัมปิจิรสภาตัมปิสริตานุสริตาคือระลึกตามระลึกได้ถึงสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดแม้นานได้เป็นอาการของสติเนียวมาทําอะไรเหนียวมาเป็นครูเท่านั้นแต่พอจะเนียวมากลุ่มกลุ่มไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งดีทั้งไม่ดีมาเพลินมาคลื้มอยู่กับอดีต พูดกันไปไม่กี่ประโยชนเล่าไปโน้นสมัยฉันเป็นหนุ่มๆคนแก่ๆนะมกล่างเงี้ยไปคุยกับหลวงพ่ออะไรพูดไปหน่อยเดียวโอ้ยสมัยฉันเป็นเนนะคุณเ อ, อ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราเกิดไม่ทานเนี่ยท่านก็คุยโม้สบายจริงไปจริงก็ไปด้วยเราก็ต้องยอมท่านทุกทีแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเราเราแก้ปัญหาไม่ได้เราจะเห็นว่าอย่างแม่กรณีของพระศาสนา ยุคทองทางพระพุทธศาสนาในกรุงรัตนโกสินทร์ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากษัตรสมเด็ธรามาชมณะส่งปฏิรูปการศึกษานั่นเป็นยุคทองไปยุคสมัยของพระองค์ท่านแต่วันนี้พระองค์ท่านสวรรคตแล้วก็สิ้นพระชนไปแล้วมันอยู่ที่ยุคเราเราก็นําเรื่องของพระองค์ท่านมาเป็นบทเรียนได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะชื่นชมอยู่กับอดีตตั้ง8ปดเกปีมาแล้ว เราจะต้องแก้ปัญหาในปัจจุบันให้ได้นำพาศาสนาในยุคในสมัยของเราไปให้ได้เรื่องชาติบ้านเมืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการเรียนประวัติศาสตร์เป็นการเรียนเพื่อเป็นบทเรียนเท่านั้นแต่ไม่จะเรียนเพื่อเสียใจไม่จะเรียนเพื่อไปออชื่นชื่นชมรื่นเริงยกับเรื่องที่เป็นอดีตแล้วอารมณ์ที่เป็นอนาคตคือการอนาคตจะมีอยู่สองแนวนะฮะ บางครั้งบางคราวไปดูหนังฝรัง่งอะไรแต่ไรแล้วไปคาดหมายโสงครามจะถล่มโลกแล้วไม่ต้องทํามากินอะไรแล้วอันนี้ก็เกินไปนะครับบางทีไปพูดเรื่องอะไรบางทีฝรั่งนะฮะก็เชยๆหน้าอ็นดเงี้ยนะฝรั่งเนี่ยเรื่องไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะอีกตั้งกี่ล้านกี่พันล้านปีก็ไม่รู้พูดไปพูดมาไอ้นี่กลัวแล้วคล้ายๆตัวเองจะอยู่ไปทันยนะังไง มันคาดหมายอนาคตมากเกินไปเพระาะฉั้นอนาคตมันจะมีสองแนวแนวหวาดกลัวกับแนวไขว่คว้าไขว่คว้าปรารถนาสิ่งที่เราชอบชอบเราต้องการแนวหวาดกลัวคือกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวอย่างนู้นซึ่งไม่ได้เรื่องทั้งสองกันทั้งไ ข, ขว่คว้ามันก็ยังไม่มาถึงทั้งหวาดกลัวก็ยังไม่มาถึงท่านก็สอนให้อยู่ชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันที่ท่านใช้คําว่าพัเนกรัตโต สิ่งที่ล่วงแล้วไปอย่าใฝ่ายหาที่ไม่มาก็จะพึงขะนึงว่าที่ว่าวานผ่านพ้นไม่หบางวันขนา้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยในอยู่ในปัจจุบันใ้เห็นไปจักชัดในอารมณ์ปัจจุบันเห็นกิเลสเป็นกิเลสเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นความดีเป็นความดีในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นคืออยู่ด้วยปัจจุบันแต่ปัจจุบันดีอดีตก็จะเป็นอดีตที่ล้ำลึกถึงด้วยความชื่นชมโสมนัส อนาคตก็เป็นความหวังคือไม่มาก็แล้วไปนะถ้ามาก็เป็นความหวังว่าจะเกิดสาระประโยชน์ขึ้นมาในชีวิตของตนจิตใจอย่างนี้มันก็กเกษมเกษมก็คือสุขสงบสันติเป็นกเกษมเป็นเขมะปราศจากบนทินปราศจากทุลีมีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในจิต ม, มีความขุ่นมัวจิตใจ ปอยวางได้นะฮะในคือชั้นพระอาหารหันต์นั้นท่านไม่ต้องห่วงเนละก็ก็เกษียอยู่แล้วนะฮะนนเกษียบอยู่แล้วนิพานาังประมังสุ ข, ขังนัดนาฏสันติประรังสุ ข, ขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั้นเป็นเรื่องที่ท่านสัมผัสท่า น, กนเกษียแน่นอนแต่วันในชั้นของจิตใจจิตใจคนที่จะเข้าถึงอุดมมงคลว่าทําอย่างไรด้วยเงื่อนไขที่กล่าวมานั้นคือยาวันไหวต่อโลกธรรมมากเกินไป ไม่ใช่ว่าพอแม่ได้ลาบอะไรหรือได้น้อยกว่าคนอื่นแล้วแหมน้อยใจเสียใจไอ้ที่คนน้อยกว่าเราแยะไปนะครับอย่างบางทีพวกข้าราชการก่อนนี้ก็คุยกับข้าราชการคนหนึ่งก็มีเงินเดือนประมาณี่เท่าไรแล้วมไม่หน่วยตั้งหมื่กว่าบาทอะบ่นว่ายังไม่พอกินอยู่อีตอนก่อนเกิดมาไม่มีอะไรจะมาอยู่มาได้ไมาอยู่มาถึงโตขนาดนี้แล้วเงินเดือนตั้งหมื่นกว่าอยู่ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปเลย ไอ้คนญาติพี่น้องเราเยอะแยะไปนะฮะคนในบ้านในเมืองเราดิบางบางคนมีเงินเดือนเดือนไม่ถึงพันนะอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศเมื่อคืนนี่ยก็รู้สึกมีข่าวอะไรเนี่ยไอ้กรสชเขาเนี่ยในที่บางแข่งที่ก็คุย่าได้มากที่สุดนะภาคใต้ก็าบอกได้เงินเดือนเดือนตั้งพันเก้าร้ยบาทน ะ, นะ่นเขาว่ามากแล้วนะฮะแต่คนที่หมื่นกว่าบาทยังรู้สึ ก, กว่าน้อย มันจะหาความกเกษสได้ไงเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้ในชั้นของจิตใจเนี่ยถือจะไปเปรียบเทียบในลักษณะแข่งขันอาจาจ้านี่ก็เห็นพาดหัวว่าครูเป็นหนี้เป็นสินก็มากที่สุดเท่าไรนะฮะสิบกว่าคนมิตรเป็นหนี้ทั้งสี่สิบกว่าล้านเน่ยขยันเป็นจัางอย่างนี้เราก็ร้อนแน่ไม่กเกษฟแน่ละ เพราะอะไรเพราะว่าปล่อยความโลภครอบงำมากเกินไปมุ่งหวังไขว้คว้าต้องการแข่งขันกัน จ, จิตใจก็ไม่กเกษมไม่สงบหลักการในการทำใจของตนให้กเกษม ก, ก็นอกจากเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วนะฮะเพราะเป็นผลที่ต่อเนื่องกันมาทั้งหมดเลยนั้นก็คือรู้จักปล่อยรู้จักวางในเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะอดีตอนาคตนะฮะ อดีตกาลอนาคตก็ปล่อยวางเถอะบ้างแบกแบกไว้ลาบากว่เปล่าที่ทรงสอนว่าภาระเบปัญจขันธภ า, าระหารโรจะปุกคโลเนี่ยปัญจขันธทั้งหลายนั้นเป็นภาระหนักจริงจริงหลวงพ่อตาจารับสัง่งแต่คนก็ยังแบกยังหามเอาไว้แบกมันก็หนักเลยขันเราห้าขันเราแบกหนักแล้วไปแบกลูกอีกห้าขันแล้วหามลูกอีกคนนึงเป็นสิบห้าขันม ล, ลูกหลายคนโอ้ยมันเยอะแยะแไปหมดเลยแบกแบกทำหามเไว้ปลอ่ปลอยวางเถอะบ้าง มันก็เบาๆลงไปเพราะงั้นไอ้ลักษณะของการแผ่เมตตานั้นโยมอย่าไปคิดไปท่องอย่างนั้นเสมอไปนะฮะมันถึงถึงกรรมสกมิหิกรรมราจะโดนใช่บ้างแหละไปแบกโลกรคไว้ไม่ได้ลูกเต็มสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังมาวิทุก เ, เป็นทุกเดือดร้อนวิ่งหาเงินส่งเสียลูกส่งเสียอะไรโตขนาดนี้มันหา ก, กินไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปมันรู้จักช่วยตัวเอ ง, งใช่บั่งมันจะไปเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาแล้วไปเดือดร้อน เราก็ตกนรกเพื่อลูกอยู่วิมานมันไม่ได้ครับเพราะว่าหลักการในการทำความดีไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่ว่าเราเดือดร้อนจะเป็นความดีไม่ใช่เราต้องไม่เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายจึงจะเป็นการกระทำความดีเพราะเจ้าถ้า เ, เ<ม>บียดเบียนตนเองก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นการกระทำความดีความดีที่สมบูรณ์นั้นตนเองจะต้องไม่เดือดร้อนและคนอื่นจะต้องไม่เดือดร้อน ฐานความเกษมของจิตจึงอยู่ที่รู้สึกปล่อยรู้สึกวางได้แล้วก็ยอมรับถ้าจะเทียบเคียงฐานะความมั่งคัง่งอะไรต่างๆมันก็ต้องนึกถึงคนข้างล่างเราบ้างอย่างนึกถึงคนที่อยู่เหนือเราเสมอไปเพราะว่าที่จริงคนที่ที่เหนือเรากับคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยในด้านทรัพย์สินเงินทองฐานะทางเศรษฐกิจนะคนที่อยู่ระดับล่างกว่าเรามีมากกว่าเยอะ ในขณะที่เรากินข้าวกับปลาทูกินข้าวกับน้ำพริกเพื่อนไม่มีทั้งน้าพริกทั้งปลาทูจะกินมียะไปเราอยู่ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนี้ก็คือการทำจิตใจของตนให้กเกษมให้มีความสุขเรียกว่าไม่ ย, ยึดไม่ถืออะไรจนจ น, จนเกินเกินพอดีไปนะครนี้ก็คงจะเป็นอย่างที่จะรู้สึกว่าจนนะรู้สึกว่าจนรู้สึกว่า ล่องไม่เต็มไม่อิ่มเนี่ยก็ทําใจให้รู้สึกพอใช่บ้างอย่างที่ท่านาศาสนาสุปนแจมท่านว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเขียนพอและเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจะคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอในกรณีที่รู้สึกว่าไม่เป็นสุขก็ต้องปรับใจให้รู้สึกพอใจรู้สึกปล่อยรู้สึกวางได้ในบางขณะบางอารมณ์ อย่างที้ท่านประพันธ์ไว้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ถามใจตัวเองกระซิบถามใจตัวเองไม่ต้องไปถามดาวหรอกถามใจตัวเองเราต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์กันแน่แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางเพื่อทําจิตใจของตนให้กเกษมเหล่านี้ก็เป็นอุดมมงคลทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าใครที่เข้าถึงอุดมมงคลเหล่านี้แล้ว ก็สามารถสามารถยำยีกระจัดมานเข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์ได้เป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินของบุคคลทั้งหลายในยุคในสมัยต่างๆคือตั้งแต่การครองเรือนคลองสุขกันมาจนถึงมรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนาทีเดียวบุคคลแห่งชีวิตได้บรรยายมา8ครั้งด้วยกันก็ขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอรัตนาคุณมศรรัตนใจได้โปรดดลบันดาลพิบ า, น า, ายนักษาท่านทั้งหลาย ประสบความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมอันพระพุทมีพระภาคเจา้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทุก